จเจริญพรท่า น, น, นสาธุชนพุทธบอยสัตว์ผู้มีจิตศรทัทธามีความเรื่องใสในพระพุทธศาสนา ท, ทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิเมษายนพุทธศักราช2553า เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาทำบุญทำทานเพื่อเป็นการสร้างบุญบรารมีให้แก่จิตใจที่ไม่ตายไปจากร่างกายจิตใจที่ต้องไปเกิดใหม่จิตใจที่มีบุญบาไปก็จะไปสู่สุคติไปดีไปที่ชอบ จิตใจที่ไม่มีบุญพาไปก็ไปสู่ทุกขติไปที่ไม่ชอบไปที่ไม่พึงปรานาเช่นไปเป็นเดรัจฉานบ้างไปตกนรกบ้างเพราะไม่ได้สร้างบุญคือศีลธรรมศีลธรรมนี้เป็นบุญที่สำคัญเกี่ยวกับภพบชาติภายในอนาคต ว่าจะไปสูงหรือไปต่ำอยู่ที่ศีลธรรมบุญที่ทำด้วยการให้เช่นถวายสังฆทานไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกที่ว่าจะไปสูงหรือไปต่ำเป็นตัวบ่งบอกว่าจะไปแล้วมีความอิ่มหรือ ม, มีความหิว การให้ทานนี้จะทำให้จิตใจมีอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วมีอาหารมีสเสบียงไว้รอภายในภายภาคหน้าแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพหรือจะไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานมีแต่ศีลและธรรมนี้เป็นตัวที่จะบอกว่า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 นี่เป็นตัวประกันตัวป้องกันไม่ให้จิตไปเกิดในอบายถ้าไม่อยากไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปตกนรกไปเป็นเปรตก็ต้องรักษาศีลห้านี้ไว้ให้ได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รักษาได้มากเท่าไหร่โอกาสที่จะไม่ต้องไปเกิดในอบายก็มีมากเท่านั้น ถ้าสามารถรักษาได้ครบร้อยอร์เซนคือได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดไม่ว่าจะสุขหรือจะทุกข์ถ้ารักษาสินห้าได้ตลอดก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้ายังไม่สามารถรักษาได้ตลอดก็ยังมีโอกาสที่จะไปเกิดในอบาย จะมีโอกาสมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ที่การรักษาสีลห้าได้มากน้อยเปลี่ยนไปถ้ารักษาได้มากโอกาสที่จะไม่ต้องไปเกิดในอบายก็มีมากถ้ารักษาได้น้อยโอกาสที่จะไปเกิดก็มีมากส่วนการให้ทานเช่นถวายสังฆทานตักบาตร ถวายเงินถวายทองเพื่อใช้ในกรณีของทางวัดเช่นค่าน้ำค่าไฟหรือการบุรณะจ่อมแซงอาคารกุฏิวิหารต่างๆก็จะทำให้มีสเสบียง ม, มีทรัพย์รออยู่ภายหน้าแล้วก็จะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่ผองใสถ้าเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะเป็นมนุษย์ที่สวยงามกว่าเดิมมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสดีกว่าเดิมมีฐานะการเงินการทองมากกว่าเดิมถ้าไม่สามารถรักษาศีลได้แล้วต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็จะเป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างสวยงามเป็นที่น่าชื่นชมยินดีของมนุษย์หรือของสัตว์ ผู้ตัวอื่นก็จะได้รับการดูแลเช่นถ้าเกิดเป็นลูกเป็นสุนัขน่ารักก็มีคนเอาไปเลี้ยงเป็นลูกก็มีเพราะบางคนเขาไม่มีสามีไม่มีภรรยาเขาอยากจะมีลูกเขาก็เลยเอาสุนัขมาเลี้ยงเป็นลูกแทนก็จะอยู่อย่างสุขสบายแต่ต้องอยู่แบบสุนัข ไม่ได้อยู่แบบมนุษย์เพราะชาติก่อนไม่ได้รักษาศีลเท่าที่ควรนั่นเองแต่ทาบุญมากชอบถวายสังฆทานชอบถวายจตุปปัจจัยไตยทานชอบทาบุญตักบาทอย่างนี้ก็จะทำให้มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีผิวพรรณผ่องใสมี ฐานะการเงินการทองที่ดีถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นเกิดเป็นเดราชานแต่จะมีคนคอยดูแลเลี้ยงดูอย่างดีนี่คือเรื่องของทานและเรื่องของสีถ้าเราสามารถรักษาธรรมะทั้งสองส่วนนี้ได้คือทาบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอ รักษาศีลได้อย่างสม่ำเสมอเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายตายไปก็จะไปเกิดเป็นเทพ เ, เมื่อหมดบุญจากเทพก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างบุญใหม่มารักษาศีลใหม่ถ้ากลับมาเป็นมนุษย์แล้วยังมารักษาศีลได้มาทำบุญให้ทานต่อไปได้ ตายไปก็จะกลับไปเกิดเป็นเทพแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆขึ้นๆลงๆระหว่างภพของเทพกับภพบของมนุษย์ถ้าทำบุญให้ทานและรักษาศีลเป็นปกติวิสัยถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ทำบุญตายไปก็ต้องไปเกิดในอบาย ไปเกิดถ้าเป็นสุนัข ก, ก็เป็นสุนัขแบบจรจัดไม่มีใครเลี้ยงเพราะไม่มีรูปร่างที่สวยงามเป็นสุนัขขี้เรือนต้องอาศัยอยู่ตามวัดต่างๆนี่เป็นกรณีที่เกิดจากการไม่ทำบุญให้ทานเกิดจากการไม่รักษาศีลนี่คือเรื่องที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็น พราะพพุทธเจ้ามียานอย่างรู้สามารถมองเห็นใจของพวกเราได้พวกเรามีใจแต่พวกเรามองเห็นมมองไม่เห็นใจของเราเราไม่รู้ว่าเรามีใจเราคิดว่าเราคือร่างกายเราคิดว่าร่างกายนี้คือตัวเราแต่ความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาที่เราเอามาเล่นเท่านั้นเอง แล้วก็เป็นร่างเป็นตุก๊กตาที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นตุก๊กตาที่ต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายไปส่วนเจ้าของคือใจถ้าไม่รู้เวลาร่างกายเป็นอะไรไปก็จะเกิดความตก อ, อกตกใจเกิดความหวาดกลัวเพราะคิดว่าตุก๊กตาเป็นตัวเราของเรานั่นเองแต่ความจริงร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ใจตังหากเป็นตัวเราของเราใจผู้ที่ไม่ตายนี่แหละพวกเรานี้ไม่มีใครตายมีแต่ร่างกายที่เราได้มาจากพ่อจากแม่ที่จะต้องตายไปแต่ใจนี้ไม่ตายใจนี้เป็นผู้ไปหาร่างใหม่ต่อไปไปตามอานาจของบุญของกรรมของบา ถ้าเป็นบุญก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ของเทพถ้าเป็นบาปก็จะได้ร่างกายของสุนัขอของเดรัจฉานของเปรยไม่มีใครรู้ได้นอกจากผู้ที่ตักจรู้คือพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์สาวลกทั้งหลายที่เป็นสรณะของพวกเราเป็นพุทธังสระนามกัจฉามิเป็นสังขังสระนามกัจฉามิ คำสอนของท่านก็เป็นธรรมังสารนางกัจฉามิเป็นที่พึ่งของพวกเราได้เพราะถ้าเรายึดท่านมาเป็นที่พึ่งคือเป็นผู้นำทางเป็นผู้สอนเราก็จะไปสู่สุขติเราก็จะไปดีไปตามที่เราปรารถนากันแต่ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้นำทาง เราก็จะเป็นเหมือนคนตาบอดต้องคลำทางไปคลำอย่างไรก็ไม่สามารถจะคลำไปให้ถึงทางที่เราอยากจะไปกันได้มีแต่จะไปในทางที่เราไม่ปรารถนากันเพราะอะไรเพราะเราเห็นมีความเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเช่นเราเห็นว่าการ เที่ยวเตรนี้เป็นความสุขการมีเงินมีทองมากๆเป็นความสุขการมีตำแหน่งมียศสูงสูงมีความสุขก็เลยทำให้เราโลกอยากได้เงินอยากได้ทองมากๆอยากมีตำแหน่งสูงสูงอยากได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆตลอดเวลา เราก็ต้องพยายามหาเงินหาทองหาความสุขเหล่านี้ด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็มักจะไม่พ้นจากการทำบาป ท, ทำกรรมเพราะถ้าไม่สามารถหามาด้วยด้วยวิธีที่สุดเจริต ก, ก็จะหาด้วยวิธีที่ทุกเจริเช่นทําทำงานแล้วเงินทองไม่พอใช้ถ้ามีโอกาสที่จะโกงได้ ก็จะโกงถ้ามีโอกาสที่จะรักทรัพย์ของผู้อื่นได้ก็จะรักทรัพย์เพราะมีความต้องการในสิ่งต่างๆมากนั่นเองพอไปทําผิดศีลแล้วต่อไปก็ต้องไปใช้นี่ใช้กรรมต่อไปเพราะอํานาจของความโลภความหลงนี่เองหลงว่ามีเงินทองมากๆจะมีความสุข หลงว่าได้เที่ยวไปตามที่ต่างๆจะมีความสุขก็เลยขวนขวายหาแต่เงินหาแต่ทองเพื่อจะได้มาใช้จ่ายซื้อสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการอยู่อย่างสงบสุขเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อเสื้อผ้าเต็มตู้ล้นตู้ซื้อรองเท้าล้นตู้ ซื้อข้าวของต่างๆเต็มบ้านไปหมดไม่รู้จะซื้อไปทําอะไรซื้อแล้วไม่ได้ทําให้จิตใจมีความสงบสุขเลยแต่กลับมีความทุกข์มีความกังวลมากขึ้นพอมีสมบัติมากๆเข้าก็เป็นห่วงกังวลเวลาออกจากบ้านก็กลัวจะถูกขโมยขึ้นบ้านบางทีก็ไม่กล้าออกจากบ้าน กลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไปกายเป็นยามเฝ้าสมบัติไปไม่มีความสุขจากการมีเงินทองมากๆ ม, ม, มีข้าวของมากๆเลยแต่ใจไม่มีปัญญาไม่มองเห็นความทุกข์ความว้าวุ่นขุ่นมัวความห่วงใ ย, ยความกังวลต่างๆที่สุมอยู่ภายในใจอยู่ตลอดเวลา นี่เป็นเพราะว่าไม่มีที่พึ่งไม่มีสรณะไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาแล้วจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราอยู่แบบเรียบง่ายไม่ให้เราฟุ้งเฟอ้อกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมากจนเกินไปให้มีสมบัติพอเพียงต่อการดํำรงชีพ คือดูแลอัตภาพร่างกายให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายก็พอแล้วคือให้ผูมีความพอเพียงในปัจจัยสี่ให้มีที่อยู่อาศัยให้มียารักษาโรคให้มีเครื่องนึ่งห่มพอประมาณแล้วก็ให้มีอาหารรับประทานพอประมาณเท่านี้ก็พอแล้วอย่าไปหลงกับการ มีปัจจัยสี่แบบรูหราเช่นต้องมีบ้านราคาเป็นสิบล้านยี่สิบล้านต้องมีเสื้อผ้าราคาแพงแพงใส่ต้องมีอาหารราคาแพงแพงรับประทานต้องมีหมอมียาราคาแพงแพงว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่จําเป็นจะต้องมีราคาแพง เราสามารถดูแลรักษาร่างกายได้ดีพอๆกันอาหารมื้อละห้าร้อยกับมื้อละห้าสิบบาทก็ทำให้อิ่มท้องเหมือนกันเสื้อผ้าชุดละร้อยสองร้อกับเสื้อผ้าชุดละพันสองพันก็สวมใส่ไว้ปกปิดอวัยวะของร่างกายได้เหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันยารักษาโรคก็เช่นเดียวกัน จะราคาแพงขนาดไหนก็ไม่สามารถยับยั้งความตายได้เมื่อถึงเวลาที่จะต้องตายแต่ให้มีเงินมากกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถยับยั้งความตายได้ไม่สามารถห้ามไม่ให้โรคภัยต่างๆเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลา หรือต้องไปทำบาปทำกรรมเพื่อหาปัจจัยสิ่งมาดูแลรักษาชีวิตของเราเพราะมันไม่คุ้มกันเรารักษาร่างกายแต่เราต้องเสียจิตใจไปเสียจิตใจเพราะเราต้องเสียคุณธรรมเสียศีลธรรมไปถ้าเราไม่มีศีลธรรมใจของเราก็จะเสียมเสื่อมลง จากมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์นระกเช่นถ้าเราอยากได้อะไรมากๆแล้วมีใครมาขัดขวางเราเราก็จะเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทจนถึงกับฆ่าเขาได้นะพอฆ่าเขาแล้วตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในนรกนะหรือถ้าเราอยากจะได้อะไรมากๆ ทั้งๆ้งที่เราก็มีพอเพียงอยู่แล้วเห็นเสื้อผ้าสวยๆก็อยากจะได้ก็เลยต้องไปลักขโมยเงินหรือลักขโมยเสื้อผ้าที่เราอยากได้มาสวมใส่อย่างนี้ตายไปก็จะต้องไปเป็นเปรตเพราะความโลภอยากได้มากๆ ท, ทั้งทั้งที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปขโมยไปลักเงินลักทองลักข้าวลักของมา พอไม่ไม่มีมันเราก็ไม่ตายนั่นเองแต่ถ้าเราปล่อยให้ใจถูกอำนาจของความโลภความอยากฉุดลากไปเราก็จะต้องไปทำบาปทำกรรมในภายภาคหน้าอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเราดูชีวิตของเราทุกวันนี้ว่าเรารักษาสินกันได้หรือไม่ได้มันยากตรงไหน ที่มันยากก็เพราะใจเรามันอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองพออยากได้แล้วก็ทำให้เราไม่สามารถรักษาสิ่งได้เช่นไม่สามารถไม่พูดปดได้เพราะเรากลัวว่าถ้าเราพูดความจริงแล้วเราจะไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเราจะเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนั่นเองแต่ การที่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือการที่รักษาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปด้วยการต้องพูดปดนี้ไม่คุ้มกันเพราะเราจะเสียความเป็นมนุษย์ไปเราจะเสียความเป็นเทพไปตายไปเราจะไม่ได้ไปเป็นเทพจะไม่ได้กลับม า, มาเป็นมนุษย์จะต้องไปตกนรกต้องไปใช้กรรมอย่างนี้ไม่คุ้มกัน เพราะฉะนั้นขอให้เราควบคุมความโลภของเราไว้ให้ดีความอยากของเราไว้ให้ดีถ้าจะต้องการต้องมีความอยากได้ก็ขอให้อยากได้ในสิ่งที่จําเป็นจริงๆคือถ้าขาดแล้วจะต้องล้มตายไปอย่างนี้เป็นต้นเช่นไม่มีอาหารรับประทานก็จะต้องตายอย่างแน่นอน ถ้าไม่ัไมด้มีลับาลหาอาหารไปเรื่อยๆในที่สุดร่างกายก็ต้องตายไปอย่างนี้มีความจำเป็นเราก็ต้องพยายามหาเงินหาทองหาอาหารมาหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เราก็ควรจะหาด้วยวิธีที่สุดจริญคือถ้าไม่มีอาชีพก็ไปหางานทำถ้าไม่มีงานทำก็ไปทำอะไรก็ได้ไปรับจ้างไป ทำอะไรเพื่อแรกเปลี่ยนกับกับเงินทองหรือกับอาหารถ้าไม่มีจริงๆก็ไปขออาศัยอยู่ที่วัดก็อย่างได้ไปอยู่วัดไปรับใช้พระภิกษุสงฆ์ไปรับใช้วัดไปช่วยทำความสะอาดไปช่วยกวาดกุฏิศาลาล้างห้องน้ำห้องท่าทางวัดก็ยินดีที่จะสงเคราะห์ตามอัตภาพ ดีกว่าที่จะไปลักขโมยเพราะว่าจะทำให้ต้องไปใช้กรรมต่อไปนั่นเองอย่าไปอายถ้าเราต้องเป็นขอทานขอทานนี้ยังดีกว่าขโมยขอทานนี้ยังไม่ได้ไปทบาบาปทากรรมแต่อย่าไปรบกวนผู้อื่นเขาเท่านั้นเองไปนั่งตรงไหนสักแห่งหนึง่งแล้วก็ให้เขารู้ว่าเรา ไม่มีเงินอยากจะได้สตังถ้ามีใครเขาสงสารเขาก็จะให้เราเองแต่อย่าไปโกหกไปหลอกเขาว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องเอาเงินไปทำนู่นทำนี่อย่างนี้ไม่ควรทำเพราะไม่คุ้มกันนะขอให้เราพยายามรักษาศีลไว้ให้ดีถ้าเราเชื่อในความดีของศีลธรรมเราก็ควรที่จะยอมตายดีกว่า ที่จะไปทำผิดศีลละธรรมเพราะถ้าเราตายด้วยการเพราะเรารักษาศีลนี้เราตายไปแล้วเราไม่ขาดทุนเพราะใจเราไม่ตกต่ำใจเราขึ้นสูงใจเราจะได้ไปเป็นเทพเป็นเทวดาหรือได้ไปเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมแต่ถ้าเราอยู่แบบผิดศีลผิดธรรมเวลาเราตายไปเราต้องไปใช้กรรมในอบ า, าย ซึ่งไม่คุ้มค่ากันเลยขอให้เรามองถึงอนาคตด้วยอย่ามองแต่ในปัจจุบันขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านร่ำรวยขนาดไหนท่านยังไม่ต้องการความร่ำรวยเลยท่านกล้าสละตัดความร่ำรวยแล้วไปอยู่แบบขอทานไปอยู่แบบ คนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต้องอาศัยผู้อื่นต้องอาศัยความเมตตาของผู้อื่นแต่เป็นการกระทําที่เป็นประโยชน์ของพระ อ, องค์เองและของผู้อื่นพระ อ, องค์เองก็ไม่ต้องมาทุกข์กังวลกับสมบัติเข้าของเงินทองคนที่ให้ทานแก่พระพุทธเจ้าก็ได้รับประโยชน์เพราได้ทำบุญ ได้สร้างบุญได้สร้างกุศลนี่คือสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นถ้าเราอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสันติอยู่อย่างไม่โลภอยู่แบบมากน้อยสันโดษคนที่อยู่แบบมากน้อยสันโดสนี้มักจะไม่ขาดคนที่จะอุปถัมภ์คอยดูแลคอยช่วยเหลือเพราะคนมากน้อยสันโดสนี้เลี้ยงง่าย มีอะไรก็กินได้ให้อะไรก็รับได้ไม่จู้จี้จุกจิกไม่โลภมากไม่ไม่ขอเพิ่มให้อะไรก็จะพอใจตามที่ได้มาแต่ถ้าเป็นคนโลภมากนี้เลี้ยงยากเลี้ยงลำบากให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอให้อย่างนี้ก็อยากจะได้อย่างนั้นถ้าเป็นคนโลภมากแล้วจะไม่ค่อยมีคนอยากจะเลี้ยงดูแล แต่ถ้าเป็นคนมักน้อยสันโดษนี่จะมีคนยินดีเสมอเพราะไม่ต้องการอะไรมากต้องการเพียงพออยู่ไปวันวันหนึ่งเท่านั้นมีข้าวสักจานสองจานก็อยู่ได้แล้วพอใจแล้วอาหารจะเป็นชนิดใดก็ไม่ไม่ไม่ไม่เลือกไม่จู้จี้จุกจิกได้มากก็ได้ได้น้อยก็ได้ ไม่บน่นไม่ว่าไม่ขอเพิ่มคนอย่างนี้แหละเป็นคนที่จะอยู่กับใครก็ได้จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วถ้ามีความขยันหมั่นเพียรด้วยรับรองว่าจะไม่อดตายอย่างแน่นอนถ้าไม่งอมืองอเท้าอยู่ที่ไหนก็สามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้อยู่บ้านใครก็ช่วยเขาได้ ช่วยเขาขวานบ้านถูบ้านเช็ดบ้านช่วยเขาซักผ้าช่วยเขารีดผ้าช่วยเขารดน้ำต้นไม้ตัดต้นไม้ตัดหญ้าอย่างนี้อยู่ที่ไหนก็มีคนที่ยินดีที่จะสมคราะช่วยเหลือจะไม่ตกทุกข์จะไม่จะไม่อดตายอย่างแน่นอนถ้าไม่ขี้เกียจอย่างเดียวงั้นถ้าเรามีคุณธรรมคือความมากน้อยสันโดษมีความขยัน มีความซื่อสัตย์สุจริตคือมีศีลละธรรมรับรองได้ว่าไม่อดตายอย่างแน่นอนไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีใครรังเกียจแต่มีจะมีแต่คนยินดีที่จะอุปถัมภ์ที่จะช่วยเหลือเสมอจึงไม่ต้องกลัวอดตายคนที่มีศีลมีธรรมไม่อดตายอย่างแน่นอนแต่ต้องเป็นคนที่ขยันด้วยแล้วก็ต้องมี ความมักน้อยสันโดษอย่าเป็นคนโลภมากอย่าจู้จี้จุกจิกอย่าเป็นคนเกียจคร้านอย่าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุดจริตเพราะจะไม่ไม่มีใครจะคบค้าสมาคมด้วยไม่มีใครอยากจะช่วยเหลือคนแบบนี้ต่างหากที่จะต้องอดตายถ้าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุดจริตเป็นคนไม่มักน้อยสันโดษเป็นคนขี้เกียจ รับรองได้ว่าจะไม่มีใครอยากจะมาดูแลช่วยเหลืออย่างแน่นอนดังนั้นขอให้เราจงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอริยสงสารโกเชื่อพระธรรมคำสอนของท่านทาตามที่ท่านปฏิบัติแล้วเราจะได้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าอย่าไปอยากรวยอย่าไปอยากเด่นอยากดัง อย่าไปอยากเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอย่าไปอยากดูอยากฟังสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากอยากดื่มอยากรับประทานสิ่งเหล่านี้แหลที่จะเป็นตัวฉุดลากให้เราไปทำบาปทำกรรมให้เราไปตกนรกไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นเดราาัจฉานเราต้องพยายามหักง้ามใจของเราไม่ให้โลภในสิ่งเหล่านี้ให้เรายินดีตามมีตามเกิดให้เรามากน้อย คือให้เราต้องการเพียงสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้นมากกว่านั้นอย่าไปเอามาไม่เป็นประโยชน์กับจิตใจแต่จะเป็นโทษกับจิตใจเพราะจะฉุดล่างให้จิตใจต้องไปทําบาปทํากรรมแล้วก็ต้องไปใช้เวรใช้กรรมต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลเรามาเพื่อมาพัฒนาจิตใจของเรา เรามาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้มีอยู่ภายในใจเพื่อจะได้ดูแลจิตใจของเราให้อยู่อย่างร่งเย็นเป็นสุขปราศจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะตามมาต่อไปดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ให้ท่านได้นาเอาไปพิจิตพิจารณา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 จับทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ